ถึงแม่ปฏิบัติก็เป็นที่ปฏิบัติพร้อมเมื่อการปฏิบัติรลอมมันก็เป็นดิบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเนืยงในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้ก็เป็นจุปฏิปัโนเป็นผู้ปฏิบัติดีจุปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความผิดจากบาปบาปธรรมทั้งหลาย ฌานีีปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่งก็เรานำเป็นสมาชิกขึ้นต่อองค์สมเด็จสัจมาจสมปตธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระปุจตะ ถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราเราก็ต้องจากพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ควรจะรู้จากพระพุทธเจ้าคือใครแล้วพระธรรมคือใครพระสงฆ์คือใครบัดนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรืออยู่ใกล้ท่านโดยคิดแล้วเราก็ควรรู้จักถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้า เราก็จะรู้จักคารวะพระพุทธเจ้ารู้จักทําตามาพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักชื่อของท่านเราก็จะชื่อของท่านมากราบมาไหว้เป็นต้นประวัยพระพุทธเจ้าที่พร้อมคือไหว้อะไรไหว้เพื่อปรารถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้อย่างนั้นเป็นต้นเรียกว่าการไหว้ภายนอกไหวเช่นนั้นไม่ใช่การประพฤติธปฏิบัติที่แน่นอนดังนั้นถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทำํำศีล เราจะทําดีจะทําชั่วเราจะทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะก็สเสมอพระพุทธเจ้ามาันดื้ออเฉพาะหน้าของเรานี่เนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าการเห็นเราอยู่อมองเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราก็กระกกระั่พระพุทธเจ้าอ่เราจะดูจะร้ายในใจของเราจะทําใจให้เจ้ามองแล้วกลัวทา่านลายต่อท่านกลัวทา่าน อันนี้ประมัญกันเราเข้าถึงพระพุทธระเจ้านับถือท่านแล้วนะเราก็จะต้องละกอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นต้นนี่เดียว่าพระพุทธไตจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธไตรจ้าวโดยนามมาทำพระพุทธไตรจ้าวโดยรูปประธรรมโดยวัตถุ โดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือเทียจธา จ, ะจะักรภูมานบัดนี้ปริวัฒนันี้ผ่านไปแล้วต้นต้นแค่ที่จริงพระพุทธเจ้าโรยนามมาธทำนั้นซึ่งไม่ไม่ไปที่ไหนคือสัตว์จะทำคือความจพียงนี้มันก็ยังตั้งอยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยบุคคลอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่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 ถ้าเราทำผิดจะไปทำอยู่คนเดียวมันก็ผิดอยู่จะไปทำอยู่มากคนด้วยกันทำถูกมันก็ถูกอยู่ทำผิดมันก็ผิดอยู่เป็นต้นคือสัตย์จะทำคือความจริงนั่นเองล่ะอืมที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าออจะให้พิธาดาสปุมาณเป็นพระพุทธเจ้าก็คือทำเหมือนนี้สัตย์จะทำนื่จะทำที่ถูกต้องเตย ท่านยังช่วยเราอยู่ถ้าทำท่านยังช่วยเราอยู่ถ้าเราทำดีเป็นธรรมะมันก็ยังท้นโทษต่างๆก็เป็นธรรมะยังีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถ้าใครไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธที่ไหนพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่ไดูเรื่องเราก็พูดแต่ ว, ว่าฉันจะเสริญคุณของท่านอยู่เสมอ อระหังสัมมาสัมพุโตสวาัสดโศปะวตาตโมสุปฏิปโนปัจโตซาปะตังโตพูดเรื่อยถึงพุทธรัตนะพระธรรมพระพุทรมพระสงฆ์แต่หารูปไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่ไ้จักก็ได้ยินได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทันดีพระธรรมนั่นทันดีพระสงฆ์นั่นทันดีควรกราบท่านไหว้ท่าน ก็เลยมากราบแทนโดยที่ไม่รู้เรื่องเฉยๆนึกว่าจะกราบพะพูธแล้วก็จะเสิดบุญจะกราบพระอทำและก็จะเกิดบุญจะกราบพระสง่์และวก็เสิดบุญกราบวาระที่หนึ่งจะคือนึกถึงพระพุทธเจ้ากราบวาระที่สองก็คือนึกถึงพระธรรมกราบวาระทีะท่ส า, ามก็คือนึกถึงพระสงฆ์งงเอาสามครั้งนั่นถวายท่านแต่ไม่รู้จักวันนี้ความหมายอย่างไรอันนี้การประพุทธเช่นนั้นก็ไม่ใช่แบบเป็นพุทธบริษสทแท้จริงมันเป็นพุทธบริษั ท, ท, ท, ทปลอม น่าจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทั้งหลายนั้นเราจะไม่ต้องไปนึกคิดอะไรมากมายหรอกการประพฤติปฏิบัตินั่นนะดูในตัวของเรานี่เองดูกายของเราดูวาจารของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกว่ามันจะดีไหมมันจะถูกไหมมันจะผิดไหมมันจะถูกไหมอะไรไ้ยไม่ต้องไปถามคนโน้นคนนี้ให้มันลำบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถุกขึ้นต้นใจมันก็คุณ อ่ถ้าเราเชื่กว่ามันมืดใจมันขุนนะถ้าเมื่อสิ่งที่อน้ํามันขุนนะเราจะไปมองดูเงาของเรามันก็ไม่เห็นรักษณะน้ำมันขุนใจเราที่มันขุนขึ้นมาไม่รู้เนื้อดูตัวอะไรไม่รู้จากพ่อไม่รู้จากแม่ไม่รู้จากรูปไม่รู้จากร้านไม่รู้จากตัวของตัวเลยนี่เลยว่าใจมันขุนตัวน้ําข้างนอกมันขุนมันจะมองดูเงาอะไรนามันนั่นกระแสน้ามันนั่นไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาตัวของตัวในน้ำได้ นั่นคือไอ้ความขุนมัวของคิตหลุดาภะตดีโคจะตดีโมหะตดีอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเราถึงสัพพะพระธรรมประสงค์เป็นเบี้ยพื้นของเราแล้วนะมันจะคิดไม่ดีขึ้นมา ก, ก็จะเห็นว่ารพัพพะเจ้าอยู่ที่เฉพาะหน้าของเรานี้แล้วไม่กล้าจะคิดขึ้นคิดคิดขึ้นจนไมกล้าจะทําถึงมันจะโกรธขึ้นมากๆเป็นต้นก็รู้มันแค่ว่าสัพุทะเจ้านะั่นกังมองเราอยู่ท่านยักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้น ค้ายๆตัดเจ้าหน้าที่คนๆหนึ่งซึ่งรักษาบ้านเมืองเหมนแมะเมื่อเข้ามาในบ้านเราเราก็ระวังไม่กล้าไปทำมันนั้นไม่กล้าไปทำมานี้นะเพราะอะไรเพราะฉะนั้นใ่มันจ้องเลยนั่นแหละนึกว่าเป็นขโมยในเวลานะก็กลัวอย่างนี้เรานี่ยต้องันการให้เข้าใจว่าเราโดยทุกถึ่งก็พุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นเชื่อว่าเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดี ก็จะเหนว่าพระเจ้าเป็นใครือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ห้อมล้อมเราอยู่เป็นอย่างนี้ทํำไมเราอยู่ท่านมองเราอยู่ือถ้าเราทําดีมันก็ได้ดีถ้าเราทําชั่วมันก็จะชั่วถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผีซื่นของเราอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผีซื่ยพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระพุทธก็คือธรรมะอันที่แท้จริงที่จะทำ นี่ในพระพุทธผู้ไรถึงถึงพระธรรมเป็นต้นคนนั้นจะใส่พระพุทธคนใดใกล่พระธรรมคนนั้นจะใส่พระพุทธคนใดใส่พระธรรมคนนั้นจะใส่พระสงฆ์เพราะพระธรรมมันเป็นรากฐานอย่างแน่อนแฟ้นที่จะให้พุทธบริษัทธ์ทางไหนประพฤติปฏิบัติอืเป็นต้นอืเพราะนั้นผู้ถึงพระรัตนตรัยแล้วจึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนเห็นไหมทาบาปฝั่งนี้เป็นต้น เมื่อเราจะทำบาปเมื่อเราจะคิดจะทำบาปเราก็รู้ก่อนแล้วก็ไม่กลาาจะทำหรือทำก็ทำแต่น้อยทำเพื่อจะละไม่ทำเพื่อจะทำต่อไปคิดใจเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะอยู่คนเดียวใจก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่รับใจเราก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่แก้งใจเราก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรียกือว่าพระพุทธอรรถรัตนใจนั่คุ้มครองเราอยู่ทุกเวลานั่น ขอให้พกเราทั้งหลายคิดอย่างนี้เนียก็ยากนะใครจะเป็นพระพุทธใครจะเป็นญาติของพระพุทธพระธรรมประสงค์นี่มันจะยากมันจะลาบากถ้าจะเป็นพุทธบริษัทสมักเป็นสมาชิกเป็นบริษัทของขึ้นต่อพุทธบริษัทือบริษัทของพุตุการเนี่มันยากแต่เรามองเห็นเนีไม่เคยมันยากบ้านเมืองเราทุกคนคนนี้ว่าเราขึ้นต่อพระพุทธเจ้าหมดทคนได้ใช้ให้ก็ว่าพุทธทางก็เป็นใครก็ว่าทำมมั่งก็เป็นใครก็ว่าทั้งทางก็เป็น ใครจะกราบก็เป็นไ่ว้ก็เป็นจะมะทานชิ้ก็ได้นัน่งฟังธรรมก็เป็นไม่ใช่เหตุการณ์เพียงเท่านี้เป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เหตุการณ์เท่านี้รลยกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ไม่ใช่เหตุการณ์เท่านี้ที่ว่าจัดทั้งหลายฟังธรรมในบรรลุธรรมนั้นไม่ใชเพียงเท่านี้น nope. นนผู้ที่ฟังธรรมจะต้องเข้าใจในธรรมเมื่อเข้าใจในธรรมก็นําธรรมนั่นมาประพปฏิบัติเป็นต้นจนจิตเราก็เป็นพันจนธรรมก็เข้าอยู่ในจิตจนจิตก็อยู่ในธรรม ทำกับจิตโดยปนเตืกันถ้าเป็นอันเดียวกันอยสะสมก็สรุปเป็นก้อนเดียวเป็นเดีโกธรรมโมจิตก็เป็นธรรมทำมันก็เป็นจิตมันเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ได้แต่แล้วเนี่ยดังนั้นเลยพุทธบริษัทมันหายากน่ะเอะไรจะมีพระอาจารยไรไม่ให้เสาวมองเนี่ยมันก็หายากในเรื่องมันยากไม่ใช่ว่าการเทียงที่ว่าเต็งว่าจะพรนีพอแล้วการดอกราบนี่เอพอแล้วการเราไหวนี่พออยู่แล้ว การเราเขาวัดรเาวานี่ก็พออยู่แล้วอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะให้เข้าใจเพิ่มขึม้นในสูงกว่านั้นดีการสวดนี่สวดไปทไํ า, า, า, ามไมการกราบอีกราบทําไมการเขาวัดรเหตุเข้าไปทไําไมการฟังธรรมนี่ฟังไปทไําไมเราจะต้องไปจิดนาด้วยการเจริญภาวนามันจะไปแจ้งโน่นไปแจ้งที่วราภาวนาโน่ยมันแจ้งในการกราบกันไหว้การนั้นเนี่ยมันไปแจ้งอยู่การภาวนา การภาวนาก็พวกง่าการกระทำอะไรนันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นอะไรไม่เสดขึ้นสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ทำให้มันเกิดขึ้นอะไรยังมันเกิดเป็นมาที่ยังไม่หมดไปของไม่ดีนั่นเราก็ทาให้มันขึ้นไปให้มันหมดไฟแต่ต้นทําให้เกิดขึ้นให้มันมีขึ้นสิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นสิ่งที่มันเกิดอมให้เสื่ขึ้นซึ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลซิ่งที่เป็นประโยชน์ตนกะเป็นประโยชน์ตนอื่นนั้นก็อยพยายามสะสมขึ้น อย่างนี้เป็นต้นอเช่นการห้ามว่าเออเราเป็นพุทธบริษัทพูดถึงบริษัทพู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ไงให้เป็นประโยชน์จริงๆนั่นน่ะถ้ามีการห้ามหลายอย่างออืการห้ามไม่ทําความผิดการเลี่ยงชีพเราก็ดีการค้าขายเราก็ดีเขี่นยึดชาไม่ชาเยี่ยงจากการค้าขายไม่ชอบรำเน่าถายมนุษย์ค้าขายยาพิษขายโตราค่าขายสาสตร์เป็นเพื่อเรื่องชีพของเราอย่างนี้ มันไม่ใช่เป็นค่าสายของฟุธบริษัทอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์เป็นต้นนอกอื่นอย่างกานอยู่การกินอยู่ป sink, ัจจุบันนี้สมมติการเป็นต้นดูสิท่านว่ามาให้ทานเลไม่ให้บริโภคอะไรเนื้อหมาก็ให้ม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื้องูไม่ใบริโภคนะไม่ให้บริโภคเนื้อมนุษย์ไม่ให้บริโภคเนื้อมีไม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื้อทำไมถึงเป็นอย่างนั้น มนุษย์เราไม่จงเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายนะมันเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าใครทานเนื้อทั้งหลายแบเนี้ยเศร้าหมองบันปะพุทธธรรมมาเห็นหน้าปะพุทธเจ้าเนสมัยโบราณเนี่ยก ล, ลัวมากเชหมายเรียนวิชาอาคมนะไม่ให้ฉันมาสังสิทธอย่างอย่นี้เป็นต้นกลัวกันสมัยก่อนอนะแต่ความจริงอันนี้ก็เพื่อปรับปรุงตัวเราให้เป็นพุทธบรณศัิ์สิทธิแท้จริงที น, นี้ การบริษัทแท้ๆมันหายากมันน้อยอย่างมนุษย์นี่แหละครูบาอาจารย์ท่านสอนอาอุปชาท่านสอนนาศท่านเออดีแล้วท่านเป็นคนที่มีโชคมีบุญหลายซึ่งเธอได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันหายากเนี่ยยากหนักยากนานเกิดมาเป็นสายเดรัจฉานมันง่ายเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากเราก็มาคิดว่ามนุษย์มันจะยากทําไมบางครั้งเกิดมาทีละสองคนก็มี ทุกวันมีนเกิดมากที่สุดจนต้องกันไปแล้วเอาเอาคนเอาสองคนแต่นะเดี๋ยวจะปิตายการนะอถ้าการพูดว่ามนุษย์มันเกิดยากมันต้องมาย่อมจากความเห็นของเรามันเป็นยากสมไมมนุษย์ในนี้มันจะอัดแอ่นในเมืองไทยอะไรแรกทําไมมนุษย์มันเกิดยากอันนี้มันตาดมนุษย์อันนี้มันเกลียดมนุษย์อย่างในป่าอะไรไม้มันเยอะตายเสบ่ะไม้ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันมากออื ไม้ที่มันใช่ประโยชน์ได้มันน้อยท่านพูดถึงส่วนมากส่วนที่เป็นประโยชน์ไม่้พวกตีนกระพัตมันมีทางนั้นแหละแต่มันต้องใช่ได้เหมือนกันกับปัญญาของคนปัญญาคนปัญญาคนชาตคนเห็นผิดในปัญญามันมากอืจะพูดวิธีอะไรการเดียบเยียนต่างวางแนวการลบวางหลักการในการจ่างเดียดเยียนเปลียนสีสื่อหนึ่งดีเกี่ยัญญามันมากแต่คำพูดขเจ้าท่านเนี้ยก็จะเสนอนอกคำว่าก่อสั้งมันเยอะ คนอย่นี้คนพานขนาดปัญญามันมากมันก็มากแต่ปัญญาสามหรอกแต่ปัญญาดีนะออืเหมือนเป็นผลไม้นี่น แ, บบนนนแหละในป่านเนี่ยเรียไไ ก, ก, ร ก, รเกเป็นไม้ ใ, ในป่านันงก่อมากมากก่อช่างมันเทอะมากผลไม้ที่ใช่ในประโยชน์อไม้ที่ใช่ในประโยชน์ต้งมีอยู่เตนมในรัดต้งสวดมนต์นี่อยแต่ผลไม้ในป่ามันมากก็อช่างมันเทอะมากผลไม้ที่มันบริโภคไปได้อื มันก็เหมือนตามอย่างนี้นเปิดมารกต้นไม้เขาปเปลาเปิดมารกแตนดินเขาเปล่านั้นเป้นต้นเขาคิดอย่างนั้นถ้าพูดแล้วในต้นไม้ในป่านี่มันก็หาเลยยากอืมไม่หาได้ยากคือต้นไม้ที่มันเป็นยาคือต้นไม้ที่มันดีทำพิธีทำการงานอะรบัตรจ่องอะไรๆเดือดด้อยดีมันน้อยในต้นไม้ในป่านั้มันเยอะมันมากมากกว่าตามมันเยอะแต่มากกว่าไม้ก็ในนี้แล้อย่างโจรเป็นต้นปัญญามันมากพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาจารย์เนาะ แต่หมากกระชังมันเพลมากก็มากปัญญาซามไม่ใช่ปัญญาดีครับก็ไมในป่ามันมากมากกระชังมันเพล่จนไม้เจะมันเติบไปอยู่ที่ได้นั่นแหละเนื้อศาสตร์มันไปเ้าก็ะเผลวันแถวนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำบ้านทำช่องหรอกมนุษย์เรานี้ไปมันกันตันน้นมนุษย์เจ้ามากก็หาเลยยากถ้าไม่มนุษย์มันมากเอี่มนุษย์ไมมันมากแต่มันยากเนี่ยมันมากแต่ชาวบานมันตัดมนุษย์แกนมนุษย์มันหาเลยยากทั้งในสิ่งี้หรอจะรู้จากแกนมนุษย์ไหม ถ้าเป็นมนุษย์ผิดแท้เรอยู่ในกันยางมีอะไรนะมันแย่งกันในทะเลกันอยู่ในความสบายคือเป็นมนุษย์ผี่สมบูรณ์ในจิดช้ากันในพยาบาทกันคือมนุษย์ที่มันมีสิหา้าประการโดยสมบูรณ์นี่เรียกว่ามนุษย์ผิดแท้อบ้านครเมืองเราเนี่ยมันจะมีกี่คนมนุษย์บ้านต่อเนี่ยประเทศไทยอะไรนี่แหะมันจะมีนมนุษย์กี่คนมนุษย์ที่มีสิ่งห้ามนมุษย์ผสมบูรณ์บริบูรณ์ เปนต้นนึกแค่นั้นโลกเรามันจึงนท่องในความดีเสมอแหละมีความเย็นมากความแดดร้อนมากแต่เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์มันน้อยไม่ใช่ว่ามนุษย์ไม่มีนะแต่ว่ามีแต่ว่ามันน้อยเป็นต้นมันน้อยมนุษย์มันเกิดยากใครจะรักษาศีลห้าอไรไหมทุกคนไม่มีเป็นปองหาเลยยากถ้ามันได้ยากอย่างไงเป็นต้นคนรักษาศีลได้ยากสมบัติของมนุษย์มันก็น้อย เมื่อสมบัติของมนุษย์มันน้อยคนที่เกิดเป็นมนุษย์มีสินหาบริบูนี่มันก็น้อยอย่างงั้นจะมาเกิดมามันหายยากถ้าเราเกิดมาอยู่ชัางนึงเกิดมาช่างหนึ่งแล้วจ่อไปมันก็จงเกิดมาอีกเกิดม่ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์เนี่ยอย่างนั้นมันสี่คนอันนี้เราแสดงหาที่เกิดนะถ้าพูดอย่างนี้ซ้ำๆเดี๋ยวสีเหมือนไปยึดเรานการตัวเราทำไมี่นานี่่ะมาแสดงหาที่เกิด อยากจะออกจากตวามโลภความโสดความหลงอยากจะออกจากบาปกรรมทั้งหลายทั้งหลายได้ไหมนะเพื่อพยายามถึงในพระสักสัญจูงมาออกจากคอบตัวคารวะออกจากบาปจากกรรมนั่นต่เห็นอยู่แต่ว่าอิชันยังยังมีสุระอยู่ยังยุ่งว่ายังไม่เสร็จอะไรยังไม่เบียดง่ายให้อิชันหมดโสุระจารอิชันจะมาเพระอะไรมันจะหมดอะ ลูกคนนี้โตแล้วลูกค you sonst, นมันต่อมาโตไปไม่นานอีกแล้วลูกคนนันเกิดมั้นโตแล้วคนต่อเขาจะทำไมลูกเสิดท้องเกิดท้ายเร็จแล้วมันก็โตขึมาแล้วนะอเลี้ยงเขาไปแต่งงานเขาแให้มันเรกิดนะถ้าไน่แต่งงานท่านั้นมันไม่ได้เสร็จเรื่องมันหรอกไปแต่งงานให้มันนะดูสาวคีเกิดท้ายคีทายแต่งงานมันลูกเรื่องดีรอดนะจ้ะเริดเรื่องนั่นยิ่งมันเรื่องยิ่งมันมากนะไปแต่งงานนะมันก็ยิ่งเรื่องมากเก่าอ เจ้าตัว้มันเป็นครูช่ไหมเป็นรรมการใช่มันจะหมดเรื่องเพ้มันจะช่วยตัวของมันได้นั่นจะยิ่งรายใหะ่อยู่หัวมันก็เป็นครูนื้อมันก็เป็นครูลูกมนเกิดมาไม่มีใครเลี้ยงนะแตต้องอุจาอู้ไปให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายให้ใวรเรี่ยงนะถ้าไม่มีใครจะเรี่ยงให้เขาก็ไม่ได้ทางานไอ้ข้าวเหนียวไปไหนข้าวเหนอยวไปทางานอ่าไ่เอาให้ขาวไนไปทางานอือันเป็นี่เสียงนะนะ ลูกเดี๋ยวจะมาแล้วแตมีหลานหลานมาโตขนาดนะี้จะแต่งงานมันจะให้มันจบเรื่องมันใจใจยันยิงย่งเรื่อ ง, ง, ง, ง, ง, งมันมากทัวร์อะไรมันจบหลือมันไม่จบอย่างนี้มันก็ยุง่งขนาดนเอยข้าไปทั่วระแจกแจงจะไม่ทำอะไรมนาะบางทีเขาเอฟไลาสร็จดมาให้จะให้ยายยายทำทัวร์ทำทัวจะทำอะไรเนี่ยจะทุบหัวปลาขนาดน้อยลยเนี่ยจะขัดขากรอบขนาดนั้นเละเนี่ยจะทุบอะไรตจังฮะยายทำไม แต่อจะมีศีลมีธรรมกันเน่โอ้เสียประกุไม่ทำจะนมีใช้จะทำให้หลานมันเสื่อมเลย่างั้นแบบเนี้ยเดืยงตัวแะ้ ว, วก็เเดือดลูกเลือดหลานเดือดเหรียญอะไรมันทุกหมดทุกอย่างเลยอย่างนี้แหละเรื่องมันไม่จบเราก็ควรที่จะพิจารณาเอาควจะได้ตัง้งใจมีศีลห้าสอมบวลบอลีโนี้มันจะมีสิทธิ์ม ถ้า haar, มนไม่มีจ right? um, mm ิคนคนมันก so, ็น so ้อยคะนนในทึงน right. uh ้อยแต่ม mm ันเสียเมนุษย์แต่ยากเสียเป็นมนุษย์แต่ยากมนุษย์จิตสมบูรมันเสียเลยยากไม่เวลามันตายแต่แล้มันเกิดเกิดแล้วนี่ถ้ามันเกิดเป็นมนุษย์ดุจเดียวนี้มันเกิดยากเกินเนาะต้องให้มีสิ่คห้าบริบูรณ์นึกก็เป็นมนุสมบูร์บริบูรณ์คะจะดีไหมดีไหมมีใครสมโภชกันไ่ใครแย่กันไม่ให้มีอะไรกันตรงนั้นเนาะมันจะหมดังนั้น แต่คนที่แต่ไม่รู้มันผิดไ้ชมันผิดบาทกันเยอนีั้นยอยากจะอาบาปที่อือนั่นเป็นห่วงวผคอเนี่ยพระสอนไม่จะท่านสอนแบบมาใจคำโทวะถ้าจะทำดีๆทั้งนั้นเดี๋ยวจะรัวรัวความดีอือรัวความดีเนี่ยอืออยากที่น้องมหาจนมาเออเอาเลยกันเถพอแล้วล่ะอีกขอสักกรนเถอะอีกสักทีกันเถอะรู้กันโตจนเน็ดอย่งเงี้ยมันโตคนมาให้มันเลี UH. ้ยงปากเลี <ADHD> ้ยงทองมันได้ใชอไห ลูกมันโตแล้วมันก็ลูกมันขมาอีกนะกระจายงานให้มันมันจะมีลูกนี้ลูกมันก็เป็นหลานเรานะการเป็นคนเลี้ยงทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานทั้งพ่อเสียมันหมดในวันจะหยุดบอกภาวนาจัดหินใจโรคกี้มันจะจบอย่างนี้พวกไรทา้งหลายนั่นต้องันคิดดีๆให้ภาวนาดีๆซะส่วนหนึ่งจะรู้เรื่องมันให้มันจบมันจะจกับถ้ามันงงก็ได้เออแะก่อนเทจริงจะเข้าไปวัด อันนี้คือความใส่ใจสิตสั้งคนมันคุเมืองช้นคนเจ็แกดีนะคนผุ้ชายคนแก็บแผลดีนะเจ็บิบาดิตดีมีนะให้คนเจ็อยู่นดูเดินด้จิตจากคเมืองมันถึงหว่าต่อได้นะอือทำไมอือไอฟันที่จะเชื่อไครเนียวมันก็ยังไม่ได้แต่ละไม่จะมีอะไรจะดีเดินขึ้นกระปวดแตละนั่งเลนแต่โอ้ยลุกขึ้นแต่โอ้ยไม่โอ้ยดูโอ้ยประมองนะมันดีบนะมันดี นะนั่จะสบายน้อมก็สบายทุกอย่างทุกอย่างเดิมนี่จะนั่นหยุดจะตามงานของกรรมฐานนี้ก็เรียกว่าการ ม, มาทำอย่างนี้ให้มนรู้์เห็นัาเป็นจริงนี่เป้าหมายที่เรามาบวชเราจะพ้นจากอาชวะทั้งหลายเหล่านี้จึงมาบวชนะจะยืนจะเดินม จ, จะนั่งจะ น, นอนจนต้นก็จะประชื่นกรรมฐานให้รู้เห็นการเป็นจริงอยู่เสมอ ไอ้ก่อนคิดก่อนจะรู้จะเห็นจะเป็นนั่นก็เร็วกว่ามีอุปกรณ์มันที่พูดมานี้ก็เลยถ้ากับคนภาวนาไปทําวนาดีกว่าสบายดีไม่ต้องเครวยดมันพูดง่ายแต่เมื่อไปทําวนาเน่ยมันยากมีควายหมักมีผ้าหมักมีไผ่หมักมีมีโต๊ะหมักมีจอบหมังสารพัดอย่างเท่านั้นแหละแต่จะพูดไปภาวนาสบายดีเท่านั้นแหดีอย่พูดอ่เมื่อไปทําจริงมันวุ่นมันเต็ม มันมีเครื่องอุปกรณ์ทุกประก า, นนาน์นี่เป็นมันสาคัญมกเมื่อไรจะป็นทุกข์ทำให้มันปวดทุกข์มีเครื่องอุปกรณ์สื่อสื่อนี่วขีอข้อปฏิบัติรละควาชั่วละควผิดทางใจยทางาจทุกประการนี่ที่พูดมางทีเดี๋วเาจะถอนถอนไอผักจะมันจะสวยมีจะงามจะ่ถอนอยากามันออกเนะอผักพขเาเนยจะมีอกาศ ใหญ่ขึ้นโตขึ้นสดใสขึ้นสวยงามขึ้นเพราะอาย่าออกจากมันถอนของไม่ดีออกจากมันแล้วมันก็เจริญขึ้นจิตใจกายวาจาเรานี้เสมอกันถ้าเราถอนกองทั่วออกแล้วต้นต้นความดีนั้นก็เจริญขึ้นทงนุสีถิ่นงานี้ฉะนั่นต่อตอนนี้เป็นการตั้างใจจกให้สมมาทานซึ่งถิ่นี้ถิ่นแปดประธานี้อืไปประพฤติปฏิบัติสังวรทั้งรวมหน่วง Mm. สักโมตจักตภวตอะระหตสัมมาสัมุทคจนะโมตจักตภวตุอะระหตสัมมาสัมปุทคนโมตจตภวตุอะระหตสัมมาสัมปุทคจักพุทธังสรครัท่า ธรรมสเตรนังขัดธานียังขังสเตรนังขัธาภูติยันติพุทธังสเตรนังขัธานิภูติยันติธรรมสเตรนังขัธานิ สักที่ยัมปีจังขังเทเรนังานิสัยัมปีพุทธังเทเรนังขจานิสัยัมปีขมังเทเรนังขจานิสยัมปังังเนังานิ เพราะว่าานังมิสิกตังตานติปะท่าวิรัมานิสิกขาปะทังสมาทิยานิอคิณนาทานาวิรัตมานิสิกขาปะังสมาทิยานิ พลัมม ah ha ัจริยาเวรัตมณีสิกขาปทังสมาทิยานิมุสาวาทาเวรัตมณีสิกขาปทังสมาทิยานิ สีรามีเรียะมัจจามาทันาวีระมณีศิษยทังาติยากลปจนาวพระมณีศิษย์ทังางิยา นัจจทีตวะคิตวิสุขะทัตตนาคมาละกัทะเยปันะขารณมัมนละนัยภูชนทานาเอพระมณีสิทาปัทังสมาทิยานิ อุจจาสยนามหาเสยน้าหีรามณีสิขาปัทถังสมาทิยานุสิมาณิคตภิสิขาปัทานิสีเรนสุขจึงดั่ตินีเรณโพภะสัมปทา Sila nampung dan tu set masih rangto akhir.